ขอากาสจากพระอาจารย์มัท น, นชัยากากของการจากพระอาจารย์โนสเราขออกาสเพื่อนสาธรมิกกัเจริญพรนี่มันยังพวกเราไม่ฉี่นะแล้วก็ญาติโยมก็เล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังก็ในช่วงในช่วงนี้เนาะก็พอดีมีช่วงที่ มีงานเนนเนาะมีงานบวชเนนพ่างดูดูร้อนก็เราก็ทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนวันที่ยี่สิบเนาะแล้วก็ยี่สิบมีนานะจงกระทั้งจบลงก็เมื่อเมื่อมันซืนนี้ก็ปรากฏว่าพอจบลงปุ๊บก็ก็มานั่งมานั่งเคลียร์งาน มานั่งเคลียร์งานปรากฏว่าก็เคลียร์งานอยู่จกนกระทั่งถึงตีสามเนาะปรากฏว่าก็นั่งนั่งเคลียร์งานก็นั่งอยู่นั่งอยู่นานกดว่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็มีอาการผิดปกติทางร่างกายเนาะเหมือนกับเหมือนกับเราตกหมอนนะ่ะเหมือนเราตกหมอนแล้วก็คอเคล็ดเนาะอันนี้ก็ มีอาการด้วยที่เอวนะก็เหมือนกับเหมือนกับเอวมันตกหมอนอย่างเงี้ยก็มีอาการมีอาการเคร็ดก็ตรงนี้นะสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เราก็สวบดบทนี้มานานเนาะแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าก็ มันก็ช่วยทําให้เราได้ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆไม่ไม่ไม่เดือดร้อนหรือว่าไม่ไม่รีบจัดการเนาะก็เหมือนกับก็ค่อยๆค่อยๆเรียากกันว่าใช้ใช้ร่างกายจะลุกจะยืนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ก็ค่อยๆค่อยๆทําไป ก็ปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้ก็ก็ค่อยๆชัว์ขึ้นอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนก็ก็สังเกตเวลาที่เรานอนไปสองสามชั่วโมงก็จะมีการพลิกตัวสักครั้งหนึ่งสองสามชั่วโมงก็จะมีการพลิกตัวสักครั้งหนึ่งก็เป็นความสุขเพื่อเอิญนะมันก็มีความผ่อนคลายเนาะเราพลิกตัวก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่า ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันบว่าให้ายว่าไม่ต้องระมัดระวังมากนะักพอตันเช้ามาเดินมาทำวัตก็มามากราบพระก็สังเกตดูวันนี้ก็กราบพระได้ค่อ ย, อย่งชั่วขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่กราบพระก็ใช้เอวในการกราบพระเยอะพพอนั่งสวดไป นั่งสดไปไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาก็นื่องจากนั่งสดก็นั่งนิ่งๆแล้วก็ใช้ปากเนะาะใช้ฝาสวดไปปรากฏว่าพอสวดเสร็จก็มีการกลับพระก็โอ้นะมันก็คลายไปตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับนี่คาอว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าคือร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเนาะเป็นธรรมดาของการร่างกาย มันทนไม่ได้เนาะที่จะอยู่อย่างเดียวหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือเดี๋ยวมันก็มีอาการนั้นมีอาการนี้เกิดขึ้นแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับพอเวลาที่เราไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงไม่ไปปรับเปลี่ยนไม่ไปอะไรวุ่นวายอะไรกับเขามากเนี่ยมันก็เราก็จะได้เห็นเนาะว่าอืมร่างกายก็มีการเหมือนกับเล้ายๆว่าเขาก็ทํางานของเขานเอง มีการทํางานต่างๆนานาที่จะช่วยเยียวยาตัวเองแบบนั้นอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะพิเศษเนาะเป็นลักษณะพิเศษว่าเออถ้าหากว่าเวลาที่เราเห็นเวลาหมูมากาไก่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตั้งแต่เล็กๆมานะก็เหมือนกับเราก็เห็นที่บ้านก็เลี้ยงนกเนาะเลี้ยงนกอยู่ในกล่องบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงแต่ว่าบางเอิญ บางทีเราก็เหมือนกับบ้าเด็กๆก็เห็นเหมือนกับมีนกมาแบบเหมือนกับว่ามาตกอยู่ที่ที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็เห็นขาหักอะไรต่างๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เอาอะไรล่ะเขาเรียกว่าเอาตะไคร้เนาะเอาตะไคร้ผูกผูกขาเข้าไว้แล้วก็ใส่กลงไว้สักพักนึงขาเขาก็หายอย่างเงี้ยคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ เห็นเออแปลกดีนะไม่เห็นต้องทําอะไรเนาะแล้วก็เอาตะไคร้เหมือนกับว่าทําเป็นเปือกเนาะเหมือนกับทาเป็นก็ไม่เชิงเป็นเปือกก็อาจจะเรียกว่าเฝือกก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าเอาเป็นเครื่องมือที่ใช้ดามให้ขาที่เขาหักกระดูกที่เขาหักเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ผูกมาไว้มัดเอาไว้อืมปรากฏว่าตรงนั้นเราก็ได้เห็นเนาะตั้งแต่เด็กๆว่าเออนี่เออก็มีการ มันก็มีการฟื้นฟูของตัวเองง่ายดีนะแต่ว่าพอเวลาที่เป็นคนเนาะคนเราก็มีการทําไม่นู่นในนี่เยอะแยะไม่หมดนะกว่าจะฟื้นฟูกันเราก็ไม่ค่อยได้ทันได้เห็นเรื่องแบบนี้แต่พอเวลาที่เหมือนกับได้สังเกตอย่างอื่นก็เป็นอย่างนั้นอนะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตอยู่ตอนเล็กๆก็คือเรื่องยาหมองนะยําหมองเนี่ยปรากฏว่าคนรอบๆข้างนะ ก็ใช้ยาหมองกันเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวก็เหมือนกับคักขึ้นมาดมเดี๋ยวก็ควักขึ้นมาดมอะไรเงี้ย น, นะเราก็เออนึกอยู่ในใจว่ายาหมองนี่มันเขใช้ทาเนาะแต่เวลาที่เขาคนอื่นก็ใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้ดมกันตกลงยาหม่องนี่มันใช้ดมหรือใช้ทากันก็นึกอยู่ในใจแบบนี้แต่ว่านั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่นะี่ครัว่าก็ มองเห็นนะว่าบางทีมันเหมือนกับบางทีเราไม่ค่อยได้ใจเย็นๆที่จะคอยดูแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็คอยแก้ไขดัดแปลงเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็คอยแก้ไขดัดแปลงอะไรที่อยู่ ใ, ใกล้ๆมือก็คว้ามาอย่ามองเลยจะเป็นแบบเหมือนของที่พกอยู่ในกระเป๋าสำหรับคนรอบๆข้างสมัยก่อนนะ ก็เราก็เห็นเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็จะเห็นเขาควักยาหมองขึ้นมาดมจะแก้อาการอะไรก็ไม่ได้ถามนะแต่ว่านั่นก็คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่คนเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขอาการต่างๆที่เกิดขึ้นพอเมื่อพยายามที่จะแก้ไขอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นนะว่า ไอ้การเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาแล้วก็มันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเนาะมันไม่มีอะไรที่มันเกิดค้างอยู่แล้วก็ดำลงอยู่จนกระทั่งแบบว่าทบทบีขึ้นตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทั้งนั้นเนาะอย่างนั้นนั้นนั่นคือตรงเนี้ยว่าเป็นสิ่งที่บางทีแล้วก็สังเกตนะบางทีคนกลัวยุงก็ทายากันยุงบางทีคนกลัวยุงก็ทายากันยุงแล้วก็ ตั้งข้อสังเกตแบบนี้อยู่แล้วก็โดยส่วนตัวตั้งแต่เล็กๆมาก็จะไม่ใช้ยากันยุงนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันก็เราก็เลี่ยงๆได้นะไม่เห็นต้องไปกันอะไรเข้ามากมายอะไรเงี้ยนะเหมือนกับก็คอยสังเกตดูว่าอ๋อบางทีที่ตรงนี้มันมียุงแต่ในเวลาเดียวกันอีกที่หนึ่งก็ไม่มียุงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่าเรา ไม่คิดจะพึ่งยากันยุงใช่มแล้วก็พาตัวเองออกไปจากบรรยากาศตรงนั้นเพ <c oughs> ื่อที่ไม่ให้ไม่ให้เหมือนกับบ้าไม่ให้ตัวเราเข้าไปยุ่งกันยุงก็คอยสังเกตแบบนี้อยู่แล้วก็ทำให้ก็ก็เรียกค่อยๆนะค่อยๆนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของของสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็พอดี ตอนสมัยก่อนนั้นก็เคยได้เรียนรู้เรื่องของก็เรียกว่าการเรียนการสอนในแนววอดอบเนาะการเรียนการสอนในแนววอดอบเนี่ยเขาก็มีการแบ่งช่วงอายุการแบ่งช่วงอายุคนเนี่ยประมาณสักอยู่ในรอ่ประมาณเจดปีเจ็ดปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งเจ็ดปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีนึงก็จําได้ว่าตอนที่ เรียนรู้เรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นก็อายุใกล้ๆยี่บแปดเนาะใกลก้ๆยี่บแปดก็ปรากฏว่าสิ่งที่เรียนรู้ก็ยังอบอวนอยู่ในในตัวเนาะปรากฏว่าพออายุยี่บแปดปุ๊บเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับร่างกายต้องเรียนว่ามีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ก็เป็นสิ่งที่เราก็มีความรู้สึกว่าเออปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็พอเอาเจ็ดลองหารดูนะใช่ไหมมันก็เอานะมันก็เจ็ดสี่ใช่ไมเจ็ดสี่ยี่สิบแปดโอ้ตรงนี้เนาะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเออ ก็ในก็เรียกว่าในการศึกษาในแนววอดอบเขาเชื่อกันแบบนี้เขาก็สรุปบทเรียนกันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะกับร่างกายณวันนั้นเนาะก็เป็นสิ่งที่ก็นึกอยู่ในใจว่าโอ้นี่เนะเราวันนี้เราก็เข้ามาถึงหยที่เป็นหนุ่มใหญ่แล้วเนาะอย่างนั้นอายุยี่ปดจะสาสิอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันคงมีเรื่องรางวอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกบอกให้เราทราบ ในบอดดอบเนี่ยเขาก็มองบอกว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่คล้ายๆว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเจขวบเนี่ยมันเป็นช่วงของวัยของการก็เรียกว่าเรียนรู้เนาะเรียนรู้ก็เรียรกยว่าธรรมชาติของตัวเองตรงนั้นพอเวลาที่7ขวบถึง14ขวบก็เป็นวัยที่เหมือนกับว่าได้เรียนรู้การอยู่กับโลกเนาะการอยู่กับโลกกับสังคมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ พอเวลาที่จากสิบสี่ขวบถึงสิบสี่ขวบถึงยีิบเอ็ดก็จะเป็นช่วงที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะเป็นวัยรุ่นพอยีิบเอ็ดถึงยีิบแปดก็เป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าเราบรรลุนิติภาวะแล้วลองรับผิดชอบตัวเองดูนะต่างๆพออายุที่ที่วันที่วันที่ก็เรียกบ้าพออายุครบยี่บแปดเนาะ ท, ที่นึกถึงก็คืออย่างอยู่เวลาที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีการก็เรียกว่าเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงวันเกิดกันไว้นั้นเราก็จะจําได้ว่าโอ้ดีนะวันนี้นะีาเป็นวันที่เราครบอายุยี่สิบแปดแล้วละอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นมันมีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกับตัวเองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จนถึงวันนี้เนาะผ่านมาอีกผ่านมาอีกเกือบ เกือบเขาเรียกว่าเกือบสี่สิบปีเนี่ยก็อาการนั้นก็ปรากฏกับกับร่างกายเนี่ยเพียงแค่สามครั้งนะจากรอบจากอายุยี่สิบแปดถึงอายุหกสิบสามเนี่ยอืมคืออาการก็เรียกว่าอาหารเป็นพิษ <c oughs> ก็ครั้งแรกสุดเนี่ยก็ฉลองวันเกิดนะก็ไม่ได้ฉลองกันครั้งเดียวใช่ไหม <c oughs> ก็วันที่เป็นวันเกิดก็ไปทานอาหาร ปรากฏว่าทานอาหารแล้วก็มันนั้นจําได้ว่าไปไปทานกุ้งแล้วก็จริงๆกุ้งเนี่ยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเหมือนกับที่บ้านอยู่ริมน้ำเจ้าพยาเนอะอาะดังนั้นว่าันนั้นคือก็คุ้นเคยกับการที่เราจะบริโภคกุ้งแม่น้ําแต่ว่ามันนั้นก็ไปร้านอาหารเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่พิสดารมากไปกว่ากุ้งย่างเฉ ย, ยๆอย่างนี้ ววก็พบกฏว่ากุ้งยา่างวันนั้นที่เขาย่างเนี่ยกกเขาไม่ย่างเหมือนที่เราเคยย่างเนาะอย่างสมัยก่อนเร า, เ า, นเนาจะยา่างเราจะย่างหัวกุ้งจนกระทัง่งมันกุ้งตรงหัวเนี่ยมันแข็งปรากฏว่าวันนั้นกุ้งที่ย่างเนี่ยมันหัวกุ้งเนี่ยมันไม่แข็งมันเละๆ เ, เหมือนกับไข่แดงเวลาที่เราทอดไข่ดาวเนาะแล้วมันก็เป็นน้ําเละๆมันไม่เป็นไข่แดงแข็งๆอยู่ตรงกลางปรากฏว่าพอ เราตาเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันผิดปกติพอเวลาที่ลิ้นสัมผัสก็ผิดปกติเราะเนื่องจากว่าคือไม่ได้ไม่ได้บริโภคกุ้งบ่อย่ยเพราะฉะนั้นนั่นคือพอเวลาที่เราสัมผัสปุ๊บก็มาอนี่ยมันไม่เหมือนกับเด็กๆที่เราเคยสัมผัสเอ้าปรากฏว่าคืนนั้นก็ปวดท้องเนาะไม่ใช่ปวดค้องปกติเนาะยังมีอาการพิเศษขึ้นมาก็คืออยากอาเจียน อยากอาเจียนด้วยถ่ายท้องด้วยแล้วยังมีเหงื่อนะเขาเรียกว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตกเยอะนาะก็อมันเป็นอะไรยังไงก็ค่อยๆดูไปไม่เป็นไรก็คุ้นเคยกับการค่อยๆดูเนาะอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าว่าตอนเช้านะอาการท้องก็เรียกว่าลําไส้เป็นตะคิวนะมันเกร็งตัวมันบิดตัวเยอะเนี่ย ก็ยังไม่หายแต่ว่าสมัยก่อนนี้ร้านขายยาเนี่ยก็เปิดตอนเช้าเปิดเช้ามากๆปรากฏว่าเช้าวันนั้นก็หกโมงก็ร้านขายาเปิดก็เข้าไปถามที่ร้านขายาบอกเนี่ยเรามีอาการเป็นแบบนี้แบบนี้ถ่ายท้องนะมันไม่เหมือนท้องเสียเราก็บอกก็บอกว่าตัวอึ่นเนี่ยถ้าท้องเสียเนี่ยขออภัยนะมันจะคล้ายๆกับ <c ười> คล้ายๆกับแกงขี้เหล็ก แต่ว่าพอเวลาครั้งนี้เนี่ยอาการตัวอึนเนี่ยมันจะเป็นตัวขา ว, ขาวแล้วก็มีกลิ่นคาวจัดๆอย่างเงี้ยก็อบอกทางร้านครับเออทางร้านาก็บอกอ๋อต้องยาธาตุน้าขาวตากระต่ายบินแล้วก็ถามก็บอกว่าแล้วนี่จะจะต้องกินยังไงเขาก็บอกกินเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมเราก็ปรากฏว่าก็ก็เหมือนกับว่าก็ ได้กินยาไปสองชั้นตกพปรากฏว่าพอยาตกถึงท้องปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าอืมอันนี้นะน่าจะถูกต้องนะเพราะว่าแป๊บหนึ่งก็ตัวลำไส้ก็คลายตัวอะไรต่างอาการปวดท้องก็หายไปแล้วก็วันนั้นก็ไม่แทรกแสกนะด้วยการที่อาหารก็งดไปไม่ต้องให้ร่างกายมันทำอะไรมากมายก็ปล่อยให้เขาเหมือนกับว่าค่อยๆ ล้างส่วนที่ตอนนั้นคิดอย่างนี้กับว่าถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในกระเพาะเนี่ยเราเติมอาหารให้เขาเดี๋ยวเขาก็โตต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมอาหารให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆค่อยๆหายไปค่อยๆระบายออกไปเราก็ดื่มน้ําแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลนิดหน่อ ย, นยในน้ําแล้วก็ทั้งวันก็ร่างกายก็ดีนะกระพี้กระเปล่านีก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าปอจนถึงเย็นเนี่ย อาการถ่ายจริ ง, รงๆไม่จะถึงเย็นหรอกเช้าวันนั้นเองเนะี่ยก็เป็นกันก็รู้มาทั้งทั้งวันก็ไม่มีการถายตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเออยี่สิบแปดปีที่ผ่านมาไม่เคยเจออาการแบบนี้นะก็ปรากฏ ว, ว่าอาการนี้เป็นอาการครั้งแรกเพิ่งเรียนรู้ว่านี่เขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษนะก็ในอีกสองสามวันก็มีการเลี้ยงก็มีการเลี้ยงเลี้ยงมันเกิดต่อไปอีกนยะ่างเรก็ ลองดูลองดูอีกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมปรากฏว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยพอเวลาที่ลิ้นสัมผัสลดเวลาที่เรากลืนลงไปเวลาที่อะไรเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าโอนี่นะฉากเมื่อสองสัปดาหก่อนกับวันเนี้ยมันเหมือนกันแล้วก็อาการก็เกิดซ้ําขึ้นมาอีกเหมือนเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าแต่ครานี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็มีบทเรียนมาแล้วเนาะ แล้วเราก็เหมือนกับว่าคล้ายๆอาการก็เป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ได้ทําเหมือนกันทําเหมือนกันจนกระทั่งว่าโันี้สรุปบทเรียนว่ากุ้งเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าหัวมันเนาะอย่างย่างไม่สุกเนี่ยมันจะทําให้อาหารเป็นพิษแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ในอีกหลายปีถัดมาก็ลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอีกเหมือนเหมือนเดิมอย่างเงี้ย ก็ปรากฏว่านั่นเป็นนั่นเป็นอาการที่เราสังเกตเนาะแต่ว่านั้นคือการเกิดขึ้นเนาะมันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาการดับไปก็เป็นเรื่องธรรมดาวันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีข้อสรุปแบบที่พระเจ้าได้สรุปเนาะแบบนี้หรือไม่ใช่ว่าท่านอัญญากลทัญญาได้สรุปไว้แบบนี้อะไรยังไงแต่ว่านั่นคือพอเวลาที่เหมือนกับว่าเราอยู่กับกรรมฐานเนาะอยู่กับการที่ เราได้เหมือนกับว่าอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยได้คอยเป็นเครื่องมือในการที่จะคอยรู้สึกลงไปที่กายคอยรู้สึกลงไปที่ใจตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าเนาะให้รู้ซื่อๆก็คือรู้แล้วเราก็ไม่แทรกแซงเราลองสังเกตสิ่งต่างๆานที่เกิดขึ้นกับกายเราก็ดีกับใจเราก็ดีอย่างเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ อย่างสมมติถักว่าพอเวลาที่เราเริ่มกรรมาฐานกันเนะาะเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมันคอยรับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ได้เห็นทันทีนะว่าอ้าวนี่เวลาที่เราเริ่มนะเริ่มปุ๊บเนี่ยมันก็มีความคิดต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เรารู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวเนี่ย เราก็ได้สังเกตเห็นนะว่าโอ้นี่ได้ใจที่เมื่อกี้มันคิดเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดนะมันก็ปรกากฏว่าเอา้ามันก็ไม่คิดนะแล้วการรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้ความคิดมันก็จบลงไปนะพอเวลาที่เราเหมือนกับว่าคอยสังเกตดูคอยสังเกตดูเพราะว่านั่นคือมันก็เป็นเรื่องที่ที่เหมือนกับเป็นคนช่างคิดเพราะฉะนั้นมันก็คิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่านั่นคือ ปรากฏว่าพอเรื่องนี้จบลงเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็เกิดเรื่องนี้จบลงเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็เกิดอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าพอนี้นะไอ้มันมีเหตุเนาะให้เกิดมันก็เกิ ด, ม, กกดมีเหตุให้ดับมันก็ดับมีเหตุให้เกิดก็คืออะไรเมื่อเราหลงไปใช่ไหมเมื่อเราหลงไปใจเราก็หลงไปกับความคิดเนาะยิ่ง <laughs> ยิ่งตัวเองก็ทํางานเดียวกับ เรื่องงานออกแบบเรื่องอะไรต่างๆโอ้ความคิดนี่มันจะเร็วมากนะเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้เพียงแค่เหมือนกับว่าในรอบ14จังหวะที่เรายกเนี่ยไม่แค่แบบว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ากเกิดหลงไปคิดเนี่ยเรื่องเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของการออกแบบเรื่องของการอะไรต่างๆมันจบลงไปแล้วยังไม่ตันต้องครบที14ครั้งด้วยซ้ํำไปเร็วมากๆนะครับแต่ว่านั่นคือพอเวลาที่เรารู้ตัวเนี่ย เราก็อ้อนี่นะรู้สึกตัวปรากฏว่าเรื่องที่มันคั้างมันเหมือนกับว่าเรื่องที่คิดมันก็ค้างอยู่แค่นั้นจบลงอยู่แค่นั้นเพราะว่าเรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวพอเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้เราได้เหมือนกับว่าโอ้เนาะอนการที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าบางครั้งเนาะเรายกมือสร้างจังหวดเนาะเราไม่ได้รู้สึกจริงๆเมื่อไม่ได้รู้สึกจริงๆใจมันก็ไปกับความคิดเนาะอย่างเงี้ย ก็นึกถึงหลวงพะเจนเนาะหลวงพเยนก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้กลับมารู้สึกตัวใหม่รู้ว่าคิดเมื่อไหร่ก็กลับไม่มารู้สึกตัวใหม่เราก็ลองทําตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์บอกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่นั่นคือมันก็อยู่ตรงที่บ้าบางครั้งเราก็ยกมือสร้างจังหวะไปเฉยๆบางครั้งเราก็เดินไปเฉยๆตามความเคยชินของเราแต่เพราะนั้นคือเราไม่ได้รู้สึกจริงๆพอไม่ได้รู้สึกจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้ คลายๆว่าความคิดมันก็ทํางานจิตใจมันก็ไปผสมลงกับความคิดง่ายๆนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้เนาะเราก็ได้สังเกตเห็นหรือว่าการที่เรานั่งการที่เราลุกการที่เรานั่งอยู่นานๆบางทีก็โดยตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นคนก็เรียกว่าลุกลี้ลุกลนนะบางคนก็เรียกถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็เคยถูกครูว่านะ เอ๊ะทำไมสันทิพงศ์ปวดลุกปุดนั่งนะสมัยนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราปุดลุกปุดนั่งแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองไม่เคยสังเกตตัวเองแต่ว่าทําน้าวเดียวกันเนี่ยพอเวลาที่มีงานงานเนนเนี่ยเราก็มองเห็นนะในช่วงหนึ่งที่เราบอกให้เนนนั่งเนาะบองทีแค่สิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยในตอนท้ายของการทำมัดก็จะให้เหมือนกับว่าให้เนนได้เหมือนกับ เดินจงกลมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกไปขอปัสสาวะอะไรกันต่างๆนานาเหล่า น, า น, านี้หรือว่าเวลาที่เราให้เขานั่งทำบัตรเนี่ยเขาก็ผุดลุกผุดนั่งในลักษณะที่เราก็เห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยพอเวลาที่เราเหมือนกับมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องมือในการรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราได้สังเกตความเป็นไปของของตัวเราเองได้ชัดเจนเนาะความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจอย่างเงี้ยนะ บางทีก็เหมือนกับพอเวลาที่เรานั่งสร้างจังหวะเนี่ยเราก็ได้ทันสังเกตนะครว่าโอ้นี่บางทีเราก็อยากลุกขึ้นมาอย่างนั้นแหละนะอยากลุกขึ้นมาแล้วมันก็มีข้ออ้างนะลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พอมานั่นคือเราจะเดินอ่ะเราก็จะเดินจงกลมแต่นั่นคือนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ความอยากของเราอะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็กําลังใส่ข้อมูลให้เราเนาะให้เราเหมือนกับ ขาดความรู้สึกตัวขาดการมีสตินั่นนั่นคือข้อมูลตรงนี้มันก็จะซ้าแล้วซ้ําอีกนะลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นเป็นไรลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็จะซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบนี้แบบนี้นะแต่นั่นก็คือมันอยู่ตรงที่มาพอเวลาที่เราทํากรรมฐานใช่ไหมเราก็เหมือนกับฟังครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำแกยนก็บอกว่าอย่าลุกถ้าอยากลุกนะอย่านั่งถ้าอยากนั่งจะทําทตามความอยากให้เราทาําคําให้เราทําตามก็เรียกว่า ให้เรามีสติก่อนนะมีสติก่อนค่อยลุกมีสติก่อนค่อยนั่งนั่นัคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคำสอนของครูบาอาจารย์เนาะก็เป็นคำสอ น, อここสอนที่เราทำให้เราได้เหมือนกับว่ามีการได้เฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยนั่นันคือตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ทำให้เราได้เห็นนะว่าเออเนานะ เรื่องที่เกิดขึ้นกับกายเรื่องที่เกิดขึ้นกบ dum, ับใจจะเป็นความปวดความเมื่อยก็ดีจะเป็นความคิดก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนาะแล้วมันเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราก็เห็นความด sh ับไปเป็นธรรมดาางที่เราปวดเราเมื่อยเราก็นั่งทนทนดูเนาะอย่างเนี้ยทนทนดูไป ใช่ไหมหลวงพ่อเขียนบอกว่าให้ลองต่อลองดูก่อนต่อลองดูก่อนเนี่ยเราก็ลองต่อลองดูอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกนะเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวค่อยลุกอีกสักเดี๋ยวค่อยลุกไม่เป็นไรอีกห้านาทีอีกสิบนาทีต่อลองไปเอรื่อยๆต่อลองไปเรื่อยๆบางทียิ้ความเจ็บปวดก็หายไปนะเพราะม่านั่นคือมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามก็หายไปเป็นธรรมดาความคิดก็เหมือนกันอะไรต่างๆนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า มีเหตุให้เกิดก็เกิดมีเหตุให้ดับก็ดับพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยในการที่เราเคยก็เรียกว่าเคยทุกข์นะกับการที่บอกบักว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้เนะทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นอ่ะก็ชีวิตตัวเองก็จังเป็นคนช่างคิดแบบนี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าพอเวลาที่เรามีกรรมฐาน ความคิดแบบนี้มันก็จบลงไปเพราะเนื่องจากว่ามันมีเหตุเนาะมันก็เกิดเนาะใช่ไหมมันมีเหตุมันก็ดับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดเรื่องเรื่องว่าถมทวีขึ้นเนาะในชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความปวดเมื่อยครั้งนี้ดับไปแตวความปวดเมื่อยครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นความคิดนี้ดับไปแต่ความคิดใหม่ก็เกิดขึ้นก็เป็นธรรมดานั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพอเวลาที่เรามี คลายว่าเราลึกถึงคําสอนแบบนี้เนี่ยเนาะราลึกถึงคําสอนแบบนี้เราก็นึกถึงโอ้นี่เนาะกรรมฐานเนาะที่เราคอยรู้สึกนะรู้สึกลงไปที่กายรู้สึกลงไปที่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ค่อยๆเห็นความจริงที่พระเจ้าได้บอกมาไหมนั่นคือตรงนี้ก็พวกเราก็เหมือนกันนะเราอยู่กับกรรมฐานเราอยู่กับการเคลื่อนไหวอาศัยความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเนาะเป็นเครื่องที่ทําให้เราได้สังเกตความเป็นไปของกายของใจ ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ชีวิตของตัวเองก็เรียกว่าเคยสังเกตแต่นั่นก็คือไม่ได้เคยสังเกตแบบก็เรียกว่าแบบที่เราทำกรรมฐานที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่เราก็มีข้อสรุปอยู่ประการหนึ่งแต่พอเวลาที่เรามีข้อสรุปทางธรรมแบบนี้นเนาะการรู้สึกตัวการมีสติเนาะที่เรามีสติลงไปที่กายมีสติลงไปที่ใจเนี่ย คำตอบเนี่ยมันจะเป็นคําตอบที่พระพุทธเจ้าเองก็บอกออกมาเนาะมันเป็นทุกข์เนาะใช่ไหมมันเป็นทุกข์มันมีเหตุให้เกิดทุกข์เนาะทุกข์มันไม่มีเนาะทุกข์มันดับไปเนาะมันมีเหตุเนาะที่ทําให้ทุกข์ดับไปตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยให้ความยุ่งยากในชีวิตทําไมไอ้นี่ทําไมไอันนั้นเนี่ต่างๆนานามันมีคําตอบจากคล้ายๆว่าจากอิริยสัตสีสี่อย่างตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะ มันก็ทำให้โอ้ชีวิตเราก็เบาสบายขึ้นก็อยากให้พวกเราเราทุกคนเนาะได้เหมือนกับว่าได้เพียรเนาะที่จะคอยรู้สึกตัวแล้วก็ความรู้สึกตัวตรงเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตของเราเบาขึ้นโล่งขึ้นความสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นไรเพราะบางเมื่อก่อนมันเหมือนกับว่าเราแบบโงโง่ทึบๆเนาะหมึนหมึ น, มนงงๆอย่างเงี้ยพอเวลาที่มีคําตอบแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองก็อยากให้พวกเราเนี่ยเนาะได้เหมือนกับว่า ได้โปร่งโล่งเบากันทุกๆคนเนาะอย่างนั้นก็ตกรับกลับพระพร้อมกัน